ถึงเวลากินก็ต้องไม่อยากกินก็ต้องกินมันก็เป็นอะไรที่เงื่อนไขความยากลำบากลำบนในการมีทัดขันเนะมีสังขารคือความปรุงแต่งมีขันห้าล้วมันปรุงแต่งมาไว้อย่างนี้นี่ก็ต้องพยายามใช้พยายามรักษามันก็เป็นภาระภา ร, ราเวปัญจขันทาขันห้ามันก็เป็นของหนัก เป็นภาระแต่ถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บเราจะใจมันจะหดหูหดหูนี้พอเราพิจารณาเห็นโทษแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเหมือนกับเพิ่มเติมก็คือเห็นโทษแล้วก็ช่างมันไม่ใช่ไาเห็นโทษแล้วก็หดหูเศร้าหมองเหนื่อยนายท้อแท้อันนี้ไม่ถูกเห็นโทษเพื่ออะไรเพื่อเราได้ เพื่อเราจะได้ไม่โมโหประมาทว่าอ้อเออมันยังดีมันยังแบบว่าแข็งแรงดีมันจะไม่ป่วยไข่มันจะไม่ไม่ตายมัอนกัจะอยู่ได้เป็นกับเป็นกันอยู่ได้อีกร้อยปีสองร้อยปีสบายๆเราก็จะได้ความที่เราไม่ประมาทคลายความหลงหลงในความรู้สึกผิดๆแบบนั้น หลงว่าเรายังแข็งแรงดีหลงว่าเรายังมีอายุที่ยังยืนยาวนานอยู่ยนีนะเราก็จะไม่ประมาทอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถามพระลานว่าว่าวันหนึ่งเนี่ยคิดถึงความตายกี่ครั้งน่าจะตอบสักร้อยได้มั้ยประมาณร้อยครั้ง ร้อยครั้งนี่วันวันหนึ่งถึงไ่มได้สักสองสาครั้งไหมอนนานนท์ก็ประมาณร้อยหนึ่งนะตอนที่ตัดต่อพระเจ้าตอนนั้นพระพุทเจ้าเขาบอกนะเธอเนี่ยยังประมาณอยู่นะอานนท์เราเนี่ยระลถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือมันไม่รู้หรอกจะตายตอนไหนก็หมดไม่ได้เพราะฉะนั้นมีสติคอยกํากับใจอยู่ทุกๆกลมหายใจ เพฉนั้นเวลาที่ความตายมาเยือนเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นผู้ที่หลงหลงตายหลงตายไม่ใช่หลงไหลในความตายไม่ใช่นะคือเลอะเรือนหลงเลือนหลงเลือนสติแล้วทํากาละคือความตายกางที่เรามีสติที่กำกับใจได้ดีอยู่เนี่ยเวลาตายเรามันก็จะว่งไงก็เห็นใจเราอยู่ตลอดเลยจิตสุดท้ายมันเป็นกุศลหรืออกุศล ถ้ามันเป็นอกุศลขึ้นมาปุ๊บเราก็ดึงกลับมาไว้ที่เครื่องอยู่ของเราคือลมหายใจก็ตามพุทโธก็ตามเนี่ยมันเป็นเครื่องอยู่ที่มันทําให้เราหลีกไกลาจากอากุศลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่เราจะยืนยันกับตัวเองได้ว่าเราไม่หลงตายเนี่ยเราไปสุคติแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีเราไม่หลงตายแล้วก็ ทำให้มันเป็นภพชาติสุดท้ายของเราไปด้วยเราก็จะก็เรียกว่าจบงานแบบสมบูรณ์แบบไม่ต้องกลับมาทำงานอีกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ประกาศศาสนาเนี่ยถามว่าจบงานไหมก็จบงานนะจบงานทางการศึกษาใช่ปะ่ะแต่ก็ยังไม่จบงานในการต้องดูแลทัดขันต่อไปไป complete ตอนไหนตอนที่ทรง ถักขันบรินิพานแล้วนะ่ยอันนั้นคือคอมพลีตเลยขันท่าขันที่มีขันห้าที่แบกเอาไว้ก็ถึงเวลาต้องปล่อยแล้วปล่อยคืนปล่อยคลึงคืนไปก็จบภาระโดยสมบูรณ์แบบเพราะนั้นการที่ทำให้กิเลสหมดออกไปจักใจเป็นพระอริยะบุคคลที่เรียกว่าพระอรหันเนี่ยถึงนิพานแล้วเนี่ยก็ยังมีนิพานต้องสองอย่าง ะสะัพุปาที่เสศนิพานอันหนึ่งกับอนุปาที่เสศนิพานนิพานก็ยังต้องมีสองแบบสาก็แปลว่าประกอบไปด้วยแต่เขาก็ละคําว่าขันธ์พระไปก็เป็นสัพุปาที่เสศนิพานก็คือนิพานที่มันยังประกอบด้วยร่างกายทัดขันก็คือขันหานี้อยู่ก็คือเป็นพระอรหันต์ในแบบที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นตัวเป็นๆอยู่ เพราะนั้นก็ยังถือว่ายังมีงานนิดนึงที่ยังต้องเป็นภาระต้องคอยดูแลก็ลคือขันห้าอันนี้พ อ, อถึงมรณะภัยมาเยือนดับขันประนิพพานเรียบร้อยก็ให้ชื่อว่าอนุปาทิศะก็คือดับไม่เหลือแล้วทีนี้ดับไม่เหลือเลยขันก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเชื้อของความเกิดอีกก็ไม่ต้องมีภาระอีกต่อไป แต่ฟังดูก็อาจจะแบบว่าเหมือนอะไรที่จับต้องยากจินตนาการมันดูหนังเฉยๆแต่จริงๆก็ไม่ต้องจะบอกนิพพานก็ดีหรือว่าอารหันต์ก็ดีก็ไม่ต้องเอาอะไรกับมันมันเป็นแค่ชื่อเรียกเฉยๆเราทาไปปฏิบัติทำไปเนี่ยแค่ใจเราสบายใจเรา สงบผ่องใสเวลาที่มันปล่อยวางแล้วก็รู้ว่าใจเรามันปล่อยอารมณ์ไปได้ใจเรามันว่างใจเรามันวา ง, วมวางไม่ได้ยึดไม่ได้ถือเรารู้แค่นี้ก็คืออันนี้คือของจริงของดีของแท้ไม่จาเป็นต้องเรียกชื่อมันก็ได้ว่าอ้อยแบบนี้นะเราเรียกชื่อว่าสดา บ, บันไม่ต้องเรียกชื่อว่าอ้ออย่างนี้คือผ้าละหัน ให้ใครมาเรียกเราเป็นพระอาหารหันยินยอเราเป็นพระอาหารหันต์แต่เรายังเป็นผู้ที่มีทุกถูกต้องจิตใจอยู่เนี่ยคำว่าพระอาหารหันต์มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ที่มันมีประโยชน์จริงๆจังๆก็คือสภาวะจิตใจเรานี่แหละที่ทุกที่มีแล้วก็ปล่อยวางได้ใจสบายได้อารมณ์ในใจแล้วก็ช่มชื่นเบิกบานผ่องใสได้ สงบระงับได้จากที่มันกระเพื่อมวันไหวแล้วเราก็ทำให้มันตั้งมัน่นจากที่มันกระเพื่อมวันไหวไปทั้งเศอ้าหมองกระตามขุนมัวก็ดีอย่างนี้เราก็ปล่อยวางมันได้กลับมาผ่องใสว่างวางสงบเย็นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยให้ชื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องมีชื่อจะเรียกก็ได้ดีดีทั้งนั้น ขอให้มันเป็นขอให้มันถึงขอให้มันเป็นคุณสมบัติในใจของเราฟังดูแล้วมันอาจจะดูเหมือนไกลแต่จริงๆมันไม่ได้ไกลหรอกมันก็อยู่ที่ปลายจมูกเรานี่แหละอยู่ที่จมูกเรานี่เองอยู่ที่สติที่คอยกำกับใจอยู่ที่ลมหายใจเราเข้าออกนิพพานมังไม่ได้อยู่ไกลหรอก อยู่แค่นี้เองอยู่ที่ใจเราเนี่ยอยู่กับตัวเราอยู่เสมอเนี่เลยขอแค่แหวกแหวกม่านของกิเลสออกไปเราก็เจอเองมันไม่ได้อยู่ที่ภูเขาลูกนั้นดาวดวงนั้นมันอยู่กับเรามาตลอดเวลาอะขอแค่ว่าเราเอาเครื่องเศร้าหมอง เครื่องปิดบังได้ยกออกออกไปจากใจเอาเอาความรู้ให้มันเกิดขึ้นเอาความไม่รู้คืออวิชชาให้มันหมดไปได้ใจเรามันก็จะจ้ามาแหละว่างโปร่งโล่ ง, ลงสบาย พูดแล้วก็อาจจะรู้สึกนี่มันทำยากนะก็ไม่ได้ทำยากอีกก็แค่มีสติคอยรักษาใจเราอยู่อย่างนี้แหละมันก็เพื่อไปทางไหนลรวก็รู้เท่าทันแล้วก็ดึงกลับมาเพราะฉะนั้นก็จะมีสติคอยเห็นกายคอยเห็นใจเห็นอารมณ์ในใจเราแล้วก็คอยเฝ้าระวังว่าอ่ามันเผลอไปทางความคิดมันไหลไปคิดปรุงแต่งแล้วก็รู้อ่าวก็ดึงกลับมามันเผลอไปทางไหน ทิเหลือไว้ทั้งตาทั้งจมูกทั้งหูแล้วก็ไปบวกกับความคิดอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจที่พุทโธมันก็ทำง่ายๆซิมเปลิลซิมเลิมเลแบบนี้แหละแต่พอเวลาที่มันจะมีอะไรแก้ไขปัญหาแล้วก็เพิ่มการพิจารณาค้นหาเหตุค้นหาผล อะไรเป็นเหตุของความทุกข์ของเราอย่างจริงจังอ่ะคือคนเราเนี่ยเวลาเราเข้าใจว่าตัวเองมีทุกข์เนี่ยแต่ไม่เข้าใจว่าสาเหตุของความทุกข์ของเราคืออะไรอย่างอย่างถูกตรงถูกต้องนะเวลาที่เราเข้าใจถึงสาเหตุความทุกข์ของใจเราได้ถูกต้องมันก็แก้ไขได้ตรงจุดพอแก้ไขได้ตรงจุดทุกมันก็จะ ถูกลดพอนถูกกำจัดออกไปได้แต่ถ้าเราไม่รู้สาเหตุที่ถูกต้องมันก็เก่าไม่ถูกที่ขันสักทีหนึ่งเพราะนั้นเหตุเกิดทุกเนี่ยเราก็ต้องคุยกับตัวเองให้ดีว่าจริงๆว่าความทุกข์ที่เรามีความไม่สบายใจที่เรามีสุดท้ายเนี่ยมันมันทุกเพราะอะไรกันแน่เหตุของความทุกข์มันเพราะอะไรกันแน่ อันนี้ก็บอกสอนกันเป็นอุบายที่มันไม่จบไม่สิ้นหรอกแต่ก็พูดได้อย่างเดียวว่าก็ต้องหมั่นที่จะคุยกับใจของตัวเองบ่อยๆเราก็จะค่อยๆเข้าใจบางครั้งเราอาจจะยังมุมมองที่มองได้ไม่ตรงแต่การที่เรามีมุมมองแล้วมันไม่ตรงทุกมันยังไม่ได้ รับการเยียวยาได้เต็มที่เนี่ยมันก็เป็นเงือเื่อนเป็นแง่ที่ทำให้เราได้ย้อนกลับมาปรับปรุงว่าความคิดความเห็นการพิจารณาของเราเนี่ยอะไรที่มันยังไม่ไม่ไม่ขาดไปอะไรที่มันยังไม่ถี่ถ่วนอะไรที่มันยังบกพร่องอยู่เพราะว่ามันยังมีส่วนเหลือของทุกที่เรายังตกค้างยังแก้ไขไม่ได้ อะไรเป็นสาเหตุหรือว่ามันจะแบ่งเป็นตัวอยา่างตัวละเอียดอะไรคือตัวตัวละเอียดเนาะลึกๆ ล, ก ล, กลงไปอีกมันยังมีอะไรซ่อนเล้นอยู่นี่แหละขบวนการมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่อยๆพ ย, ยายามคุยกับมันแล้วเราก็จะเข้าใจได้ละเอียดลึกซึ้มลงไปเรื่อยๆพอเราทำอย่างนี้ชำนาญเนี่ยมันมั น, ม, นมันก็จะมอง บางครั้งเราไม่ต้องแบบค่อยแก้ที่เราปลอกสองปลอกนะพอเรามีความชำนาญแล้วบางทีมองปลาดเดียวมันก็เห็นแล้วอ๋อจริงๆแล้วต้นตอของความทุกข์มันคือตัวนี้แหละล้วก็เอาตรงนี้เลยไม่ต้องไปเอาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นหรอกเราก็รู้แล้วต้นตอมันมาจากตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้เลยเหมือนภาวนานก็เหมือนกันอย่างบงคก็ต้อง ติดอยู่กับรูปแบบวิธีการมากจนเกินไปนะก็มีบางครั้งแค่เราย้อนใจกลับมาได้อาจจะไม่มีพุโทโธอาจจะไม่มีลมหายใจก็ได้เหมือนกันแค่เรามีสติที่มันย้อนกลับมาเห็นกายเห็นใจในประคองความรู้สึกตัวของเราไว้ในภายในได้ไม่ต้องมีพุโทโธก็ยังได้ไม่ต้องมีลมหายใจก็ยังได้ แ้่เราค่อยกำกับใจอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือพอมาไปถึงจุดหนึ่งมันมันมันต้องเป็นผู้ที่รู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักที่จะใช้ให้มันเป็นคือเราก็ไม่ได้ยึดติดในรูปแบบมากแต่เราก็ไม่ได้ละทิ้งรูปแบบนะะหมายถึงว่ามีรูปแบบเพื่อฝึกให้เข้าใจ พอฝึกให้มันเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ใชใ้มันตรงตามกับปัญหานี่มันควรจะมีปัญหาแบบง่ายแล้วก็แก้ง่ายๆปัญหายากแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นไปตามลาดำับทุกครั้งก็ไม่ใช่บางครั้งมันก็อาจจะไปสตาร์ทที่ห้าหกเจ็ดอะไก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมันไม่มีอะไรแตกตัวไม่มีเป็นรูปแบบ เพราก็ศึกษาดูให้ดูให้เข้าใจคำว่าเข้าใจมันลึกซึ้งนะเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็ใช้ให้มันชานาญเราต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ซื่อตรงซื่อตร ง, ต, รงต่อสภาวธรรมแต่ไม่ใช่แบบซื่อบื้อพูดอาจจะจิมแทงนิดนึงนะคนนี้ซื่อตรงแต่ไม่ซื่อบื้อซื่อบื้อคือแบบทำไปทื่อๆไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรทาไปเพื่ออะไร เขาให้ทำก็ทำอย่างเงี้ยแต่คนที่ซื้อตรงก็คือทําที่มันถูก ท, ทํใถ้าอย่างถูกต้องพอพวเป็นมันซื้อตรงแล้วเราไม่ซื้อบื้อเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ซื้อตรงแหลงแล้วก็เป็นผู้ที่ฉลาดในอุบายถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่าเราจะมี ทางดำเนินที่มันไม่ได้แบบแข็งทื่อตายตัวจนเกินไปเราก็ปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับสภาพสภาพต่างๆที่เราพบเจอพบเจอณตอนนั้นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทาให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราให้ได้โลกภายนอกกับโลกภายในมันต้องไปควบคู่กั น, นเพราะ้วเรบอก มันคนมีตาก็ต้องมีตาสองข้างใช่ไหมบาบรอาจารย์นั่นก็เปรียบไว้ตาข้างซ้ายกับตาข้างขวาเนี่ยมันต้องมีทั้งสองข้างนั่นแหละคนเราเนี่ยจะอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเกี่ยวเนื่องด้วยโลกข้างนอกแล้วก็โลกเกี่ยวกับธรรมะที่คอยรักษาจิตใจด้วยมันถึงจะเหมือนคนที่ลืมตาทั้งสองข้างเห็นอะไรก็สนักสนี ชีวิตเรามันก็จะได้บริบูรณ์อิ่มทั้งภายนอกอิ่มทั้งภายในพอพูดไปเยอะๆมันก็คันฟันไม่ใช่คันฟันแบบนั้นนะหมายถึงแบบทยกยกผลลัพธ์ให้ได้ก็เอาไปเลยเนี่ยมันง่ายดีแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นของใครของมันมันเป็นสมบัติที่มันยกให้กันไม่ได้ ทำได้แค่บอกบอกแล้วก็ไปหัดทำกันเอาเองซึ่งถ้ามันแบบว่ายกให้กันได้มันได้ไงมันมีเงินอะแล้วก็เอะเอาเงินไปจบเลยแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันก็ได้แต่คอยลุ้นไปด้วยเหมือนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเลี้ยงลูกก็ลุ้นลูกไปด้วยไงต่อมาจะเป็นคนดีไหมต่อมาจะดูแลตัวเองได้ไหม อันนี้ก็คไกลๆกันลุ้นเหมือนกันว่าจะนําทักษะที่มีที่ได้เนี่ยเอาไปใช้ได้ดีไหมถ้าทำได้ดีมันก็มันก็ช่ำชื่นหัวใจไปด้วยหมายถึงว่าถ้าแต่ละท่านแต่ละท่านได้ได้รับประโยชน์ไปด้วยเอาไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวเองเอาไปใช้แล้วมันก็เกิดทั้งประโยชน์ตัวเองด้วยแล้วก็ประโยชน์กับคนรอบข้างของเราไปด้วยอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งยิ่งดีอ่ะเหมือนเราได้ส่งต่อความดีแด้พัฒนาความดีของเราให้มันกว้างขวางไปเราสังคมมันก็จะน่าอยู่ถ้าสังคมที่ได้รับการพัฒนาจิตใจที่ที่ดีขึ้นคนเราถ้าพัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเบียดเบียนกันน้อยลงเพื่อเฟือเ้อเผิอแผ่กันมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ถือว่าแต่ละคนแต่ละคนก็คงจะพูดง่ายมีคนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องด้วยรอบตัวถต่จะพูดให้มันดูเวอเวอรหน่อยก็คือเราก็ต้องมีบริวารของเรานั่นแหละเราก็ต้องมันต้องมีคนที่เราบอกได้แนะนําได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราได้สิ่งนี้ที่เกี่ยวกับความรู้ทางจิตใจ ทักษะที่เราฝึกแล้วเรามีประสบการณ์เราก็เอาไปแนะนำบอกต่อให้กับคนรอบข้างเราให้เขาได้ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสถึงสิ่งดีงามทางด้านจิตใจด้วยสังคมที่มันมีจิตใจที่ดีสังคมมันก็จะเป็นสังคมที่เยือกเย็นไม่ร้อนร้อนพอเราอยู่ในสังคมที่มันเยือกเย็นไม่ร้อนร้อนไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเราก็ยิ่งอยู่สบายขึ้นเหมือนคนที่คบกัน คนนี้เราคบกันไปในแนวทางแล้วมันจะคบกันยั่งยืนคบกันแล้วก็คบกันไปได้แบบยาวๆก็คืออะไรก็คือคนที่มันมีความเห็นที่มันเหมือนเหมือนกันอ่ะเพราะนั้นถ้าเรามีทิฏฐิคือความเห็นที่มันเสมอกันแล้วเนี่ยมันก็ไปกันง่ายใช่ไหม นอกจากที่จะมีทิฏฐิที่มันเสมอกันแล้วความเห็นที่มันเสมอกันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้ไปได้แนบแน่นสมมุติขึ้นอีกก็คือมีศีลที่มันเสมอการพอคนเรามีศีลที่มันเสมอกันแล้วเนี่ยพูดง่ายข้อประพฤติปฏิบัติมันก็คล้ายๆกันพอมันคล้ายคล้ายกันมันไม่ขัดแย้งกันมันก็ไปด้วยกันง่าย อีกอันหนึ่งก็คือมีจากัดที่มันเสมอกันจากัดก็คือการเสียสละที่มันเสมอกันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยง่ายๆพอเสียสละได้ก็สละอารมณ์ไง่ายๆก็อาจจะขี้งอนพอเรารู้จักที่จะสละอารมณ์ออกไปเนี่ยมันก็เป็นคนขี้งอนน้อยลงไม่เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยพอแต่ละคนแต่ละคนเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ร่มเย็นอยู่กันก็ง่ายขึ้นอีก ถ้าสุดท้ายคือมีปัญญาเสมอกันอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดจริงเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสี่อย่างนี้กับคนรอบข้างเราที่มันเสมอกันเนี่ยมันก็จะไปในแนวเดียวกันแล้วก็อยู่กันอย่างได้อย่างสบายอยู่กันอย่างมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันน้อยลงเพราะฉะนั้นองค์กรที่เล็กอ่ะก็อย่างครอบครัวอย่าเงี้ย ถ้าเรามีสี่อย่างนี้เสมอกันครอบครัวก็ อ, อบอุ่นเราขยายขึ้นมาอีกเป็นองค์กรกันที่ทํางานของเราถ้าเรามีสี่อย่างนี้มันเป็นในทิศทางเดียวกันองค์กรเราก็สมัครสมานสมัคมคทีทํางานก็ได้ผลดีแล้วก็มีเรื่องที่ อ, อาจจะต้องถกเถียงในรายละเอียดการทํางานบ้างแต่อย่างน้อยๆมันก็จะจบลงด้วยความไม่ทะเลาะเบาแวงกัน แล้วมันก็จะจบที่เหตุที่ผลที่เราจะสรุปได้ว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนแล้วเราก็จะไปด้วยกันแก้ไขปัญหาไปในแนวทางเดียวกันนอกจากองคอ์กรเล็กๆผสมรวมกันมันก็คือเป็นสังคมเป็นประเทศนี่แหละซึ่งถ้าคนเราเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยแต่และ ค, ครอบครัวแต่ละครอบครัวขยายขยายไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมเรามันน่าอยู่ขึ้น ในสังคมของคนที่มีจิตใจดีเพราะนั้นก็เราก็เหมือนมีมีแสงสว่างทั้งกลางความมืดเรามีเทียวเล่มน้อยของเราแล้วก็เอาไปจุดให้คนอื่นด้วยจุดต่อกันไปเขาจะได้รอบข้างเขาก็จะได้สว่างสวัยเห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็น แล้วพอมันอยู่มาใกล้ๆรวมกันมันก็สว่างเพิ่มขึ้นทีนี้เห็นอะไรมันก็ชัดเจนขึ้นไปอีก